พวกที่มาจากปาจินมีโอกาสอันใดถึงมางเทพราจย์เป็นวันเกิดของไทยนะเรียกว่าวันเกิดของน้องน้องเขยน้องเขยแล้วก็พี่พี่เขยค่ะพี่เขยมาทั้งหมด10บกี่คนนะก็1ิบสาคนก็ค่ะมากรุงเทพรถสามพันประจินรถคันหนึ่งก็ค่ะโอเค จำได้แต่วันเกิดวันแก่จำได้มั้งก็บ่าวันเจ็บจำได้มั้งก็บ่าวันตายวันแก่นี่ยังไม่อยากจำนะะพระพุทธเจ้าดึงต้องสอนเตือนให้หัดจำบ้างเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันชอบไปจำวันที่มันมันเกิดมันเกิดมาแล้วมันเกิดแล้วไม่ทําไปจำมันละมันผ่านไปแล้ว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 วันตายก็อีกวันหนึ่งมันก็มีมืดกับแจ้งเหมือนกันมันไม่มีอะไรน่ากลัวเราไปกลัวมันเองกลัวอย่างเดียวคือตายไม่ไปไหนเจ้าค่ะ น, นี่มาฟังธรรมแล้วก็จะรู้ไงพระพุทธเจ้าสอนว่ามีที่ไปหลายที่ที่อบายก็มีสีท่ที่สวรรค์ก็มีหลายชั้นเราเลือกไปได้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 ออนุญาตเข้าประเทศเขาถ้าเขาไม่ให้เข้าเราก็ไปไม่ได้งั้นต้องไปทําวีซา่าแล้วก็ไปตีตั๋วเรือบินไปจองห้องพักโรงแรมจองทัวร์พาเที่ยวอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราเออกจากร่างกายนี้ไปเราก็เหมือนกับไปต่างประเทศนีไปโลกทริปตอนนี้เราอยู่ในโลกกัลธา โลกธาก็คือโลกของร่างกายนี่ร่างกายนี้เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าภูเขาข้าวของอะไรต่างๆนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นร่างกายของพวกเราก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟท่านเลยเรียกว่าโลกธาอตอันนี้เราอยู่ในโลกธาตกัน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 ตายไปก็ไปสวรรค์ทำบุญรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอันนี้จะไปสวรรค์ชั้นชั้นต่างๆไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยนี่คือตั๋วเรือบินหรือวีซ่าที่เราจะต้องไปไปทำกันถ้าเราไม่ทำพอถึงเวลาเราไม่มีวีซ่าเข้าประเทศ เราไม่มีตัวเครื่องบินเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งไปที่เราไม่อยากไปกันไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เพราะเราเราไม่รักษาศีลเราทำบาปเราฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเหลืม่มสุรายาเมาอันนี้เป็นการเป็นการทาผิดกฎหมายทำผิดกฎหมาย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 กับทาผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ถึงเวลาก็ต้องไปเข้าคุกเข้าตารางท่านบอกว่าถ้าทำบาปโดยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ต้องไปเป็นเดรลาชานถ้าทำบาปรู่ว่าบาปแต่ยังอยากจะทาเพราะโลภอยากได้เงินเยอะๆอยากได้ข้าวของเยอะๆท่า น, นก็ให้ไปเป็นเปรตถ้าทำบาป ด้วยความกลัวรู้ว่ารู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำเพราะกลัวเากลัวจะถูกเขาเขาทำลายเราเราก็เลยไปทำลายเขาก่อนอันนี้ก็ไปเป็นผีหรือไปเป็นอสูรกายแล้วถ้าเราทำบาลด้วยความอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราโกรธแค้นเราก็เลยร้างแค้นด้วยการฆ่าเขาเช่นเขาอาจจะมาฆ่าแฟนเราหรือฆ่า คนที่เราลักเราก็เลยไปฆ่าเขาไปล้างแค้นกันอย่างนี้ก็ไปตกนรกไปอยู่ในนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปสชนิดทําบาปเพราะไม่รู้ก็เป็นพวกเดราจฉานคือต้องต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยทําไปคิดว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ทําเพราะอยากจะรวยหรือกลัว ด้วยโกรเกียดอาคาตพยาบาทแต่ทำเพราะเพราะหิวต้องต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นเวลาเราเไม่มีเงินทองเราก็หาอาหารเราก็ต้องไปยิงนกตกปลาเนี่ยพวกที่เขามีอาชีพ ย, ยิงนกตกปลาเขาก็คิดว่าเป็นเป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดแต่ผิดศีลธรรมเป็นบาป ก็เป็นเหมือนเดราัชานเดราัชานเขาเวลาเาอยากเขาหิวเขาก็กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเพื่ อ, อยางชีพมนุษย์ที่ยังชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นพวกเดรัชานส่วนพวกที่ไม่ต้องทำบาปแต่อยากจะรวยง่ายๆรวยเร็วๆก็ไปทำบาปอย่างนี้ก็จะไปเป็นเปรต เพราะความโลภอยากได้มากๆแล้วถ้าไปทำบาปเพราะความกลัวกลัวจะถูกเขามาทำลายเรากลัวเขาจะทำให้เร า, เ, าเดือดร้อนเสียหายเราก็ป้องกันตัวด้วยการไปฆ่าเขาไปทำบาปไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็เป็นผีหรือเป็นอสุรกายแล้วถ้าใครมาทำให้เราเก็บ ช้ำน้ำใจเราก็ฆ่าเขาร้างแค้นกันอย่างนี้ก็เป็นนรกทําบาปด้วยความโกรธเกลียดทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรททาบาปด้วยความกลัวก็เป็นผีทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปว่าเป็นโทษก็ไปเป็นเดชะานโ่กเดรชาานี้เขาไม่รู้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 อันนี้ขอให้เรามองเห็นว่าการทําบุญนี้ <S <S นการทําทานนี้เป็นเหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเพราะถ้าให้ฝากไว้เวลาตายไปก็เอาไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยเงินทองที่มีอยู่นี้ก็จะเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วก็จะไปแบบมือเปล่าเปล่าไปแบบไม่มีอะไรไปแบบขอทานแล้วต้องมารอรับส่วนบุญจากคนที่เขาทําบุญกัน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 เงินที่เราฝากไว้ยังมีเหลืออยู่เราก็ไม่ต้องเหือดเหนื่อยเกิดมาก็รวยกว่าเก่าอีกมีเงินรอเราอยู่กลับมาเกิดเป็นคนที่รวยกว่าเก่าเพราะบุญที่เราทำไว้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารมันยังมีอยู่เรามีดอกเบี้ยให้ด้วยแล้วกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นหลายร้อยปีก็ได้คิดดูดอกมันจะขึ้นไปสักเท่าไหร่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 อยากจะได้เงินทองเราก็ไปขโมยกันเงเราก็ได้เงินท่ามาง่ายกว่าการที่เราจะไปะทำมาหากินอาชีพที่สุดจริญเช่นสมัยนี้คนบางคนก็หากินแบบขายตัวดีกว่าง่ายกว่าได้เงินได้เงินมากกว่าไปทำงานทำงานถ้าไม่มีความรู้เงินเดือนขั้นต่าก็วันละ300รอเดือนนัก็9 0 0าั แต่ถ้าไปขายตัวนี่คืนหนึ่งเก้าพันก็ได้ลนะอย่างน้นสมัยนี้คนทึนนิยมอาชีพขายเนื้อขายตัวกันนะเพราะว่ามันขายมันหาเงินได้ง่ายกว่าแล้วก็คิดว่าตายไปก็ไม่มีผลตามมาก็เลยไม่รู้จะไปรักษาศีลทำไมารักษาศีลแล้วต้องอยู่แบบอดอดอยากๆยากหาเงินก็หาไม่ได้มาก ถ้าไม่รักษาศีลข้อสมได้ประพฤติผิดประเวณีได้ไปขายเนื้อขายตัวนี่ก็สบายเห็นไหมคนขายเนื้อขายตัวเขามีเงินใช้กันแต่คนที่ไปทำงานเป็นลูกจ้างเขาเดือนละไม่กี่ตังค์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องกวาดบ้านทูบ้านทำงานอะไรต่างๆเงิงนก็ไม่มีเื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาแต่งมาใส่ให้ดูสวยงาม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 แล้วพอหมดแล้วก็ม่กกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับผลบุญผลบาปับที่ทำไว้ในเป็นมนุษย์ยังที่ยังมีอยู่ข้างตกค้างอยู่ถ้าทำบุญมากก็กลับมาก็รวยกว่าเก่าถ้าทำบาปก็กลับมายากจนกว่าเก่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนเราทำไมเกิดมาไม่ถึงไม่เหมือนกันนะ ทำามคนบางคนรวยกว่าบางคนจนกว่าบางคนดีกว่าบางคนเร็วกว่าเพราะมั น, เ ป, นเป็นของที่ติดมากับใจของพวกเราทำให้เราเกิดมามาเกิดสูงสู ง, สงต่ำๆ่ไม่เท่ากันนี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราทำอยู่สามอย่างทำบาบ้าง ทำบุญบ้างทำไม่บาปไม่บุญบ้างสลับกันไปอย่างวันนี้มาทำบุญกันทำบุญกันรู้สึกจะน้อยกว่าการทำบาปทำบาปนี่แทบจะทำทุกวันโกหกทุกวันรึเปล่าดื่มสุราหรือเปล่าตีมดหรือเปล่าตบยุงหรือเปล่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่า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 ถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่ไม่กลับมาเป็นสวรรค์ชั้นของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่านิาพพานนี่สวรรค์ชั้นนี้จะไปได้ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งนอกจากนั่งสมาธิแล้วเราต้องต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาหรือที่เรียกว่าปะปัญญาเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราการที่เรากลับมาเกิดนี่ก็เพราะความอยาก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 ตายไปพอไปใช้บุญใช้บาปหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากนี่อยู่ในใจนี้ตายไปแล้วไม่ไปไปเกิดที่ไหนเลยหยุดไม่มีความอยากจะไปไหนไม่อยากมีความอยากจะมีความสุขจากการไปมีร่างกายก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานตายแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่ไม่ได้หายไปไหนนะพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ไม่ได้หายพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายตอนนี้ท่านก็ไม่ได้หายท่านก็ยังอยู่เหมือนเหมือนใจของพวกเราที่มีอยู่เพียงท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายพวกเราอยู่แบบมีร่างกายการอยู่แบบมีร่างกายนี้มันทุกข์เพราะต้องดิน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องหากินนะ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 คนที่จะหยุดมีร่างกายได้ก็ต้องหยุดความอยากความอยากหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายัะไม่ ม, มีมันจะไปได้ยไงจะไปมีความสุขได้ไงต้องมีตาถึงจะเห็นรูปต้องมีหูถึงจะได้ฟังเสียงได้แต่ถ้าเรามี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 วัดนี้ก็เป็นเหมือนบริยสับทัวร์ก็ใช่ไหมใครอยากจะไปทัวร์ประเทศไหนก็มาที่วัดนี่แล้ววัดจะทําทัวร์ให้จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็จะจัดกะจัดทัวร์ให้จะไปอบายชั้นไหนก็จะจัดทัวร์ให้ถ้าอยากจะไปอบายก็เอาเลยศีลห้าข้อไม่ต้องรักษากินเหล้าให้ให้สนุกเลี้ยงกันให้สนุกกินเหล้ากันให้เมาแล้วจะได้ไปประพฤติผิดประเวณีกัน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 สวรรค์กบเหมือนโรงแรมที่มีดาวต่างกันโรงแรมหนึ่งดาว2ดาว3ดาวเนี่ยราคามันไม่เท่ากันถ้าเราทำบุญมากเราก็จะมีเงินไปอยู่ที่ธนาที่โรงแรมที่มีดาวมากๆได้ถ้าเราทำบุญน้อยก็มีเงินติดตัวไปน้อยก็ไปอยู่โรงแรมที่มีดาวน้อยถ้าทำบุญมากก็มีไปอยู่โรงแรมที่มีดาวมากเนี่ยสวรรค์ชั้นชั้นต่างๆมันมีความสุขไม่เท่ากันเนี่ย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 คนที่รับรองคำสอนของพระุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่ที่หลังจากเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็ได้พบกับความสุขทั้งในขณะที่มีชี ว, วิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิจารณาและไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรหนังสือซีดีนี่เอาไปได้นะเป็ น, นเป็นวิธีไปสวรรค์ชั้นต่างๆน น, นะอยากจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็เอาไปเลือกได้เนี่ยอ่านดอาูอยู่ที่บ้านเคยติดตามถ่ายทอดสดหรือเปล่า ทั่วไปเลยและอ่าวันนี้เลยต้องมาสดเองเลยนะทํางานด้านใจเลอกฟังไปด้วยอ่าดีดีกว่าฟังเพลงนะถ้าจะให้ดีกว่าก็อย่าทํางานนั่งเฉยเฉยฟังเต็มที่จะได้จะได้ร้อเปซตถ้าทําไปฟังไปมันก็ได้ครึ่งหนึ่งเพราะอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องไปทํางานใจก็ไปทํางานครึ่งหนึ่งมาฟังครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่ฟังเลย ดีกว่าดกาไปฟังเพลง <Okay. S 1> แต่ถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ช่วงนั้นก็หยุดพักทำงานชั่วคราวแล้วฟังอย่างเดียวเพราะมันจะได้ติดต่อกันฟังได้อย่างติดต่อแล้วมันจะเกิดความเข้าใจถ้าฟังแล้วเดี๋ยวคนมาซื้อของก็ไปขายของพองกลับมาฟังต่อ้ไปถึงไหนแล้วตามไม่ทันแลแต่ก็ดีฟังไปทำงานไปก็ดีกว่าฟังเพลงทางานไปแต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็ อย่าทำงานเลยให้นั่งเฉยๆวเวลาฟังเทศถ้าอยากจะได้อ น, นิสงเต็มร้อยนี่จะต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังจริงๆแล้วมันจะได้ปัญญาได้ความรู้ถ้าฟังไปแล้วใจไปทำงานนี้มันก็ได้ครึ่งเดียวไปๆมาๆบางทีก็เป็นเหมือนกับเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเพียงแต่แนะนาวิธีให้ฟังว่า จะได้ฉลาดขึ้นเดี๋ยวจะโง่คิดว่าทำงานไปฟังทำก็ได้ได้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้หมดได้ครึ่งเดียวถ้าอยากจะได้ทั้งหมดนี้ต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังเห <c oughs> มือนกับเวลาเราเอาแก้วไปลองน้ําที่ก๊อกน้ําถ้ามือเราสายไปสายมาเงี้ยน้ามันก็เข้าไปไม่เต็มเหรยวมันก็สายไปสายมา ใจเราก็เหมือนกันฟังครึ่งหนึ่งไปทำงานครึ่งหนึ่งเหมือนก็สายไปสายมาธรรมะที่จะเป็นเหมือนน้ำก็เข้าไปในใจได้เพียงครึ่งเดียวถ้าอยากจะให้มันเข้าไปเต็มที่เต็มร้อยเลยนี่ต้องทาใจให้นิ่งๆตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่ไปคิดไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ก็ยังดีเริ่มต้นอย่างนี้ไปก่อน <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวพอติดใจก็ถึงเวลาฟังทำแล้ปิดร้านโชคับ <c oughs> ธรรมะนี่อธรรมะนี่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่หาได้นะเงินทองนี่พาเราไปนิ้ผ่านไม่ได้นะแต่ธรรมะนี่พาเราไปนี้ผ่านได้ดับความทุกข์จะทุกข์ร้อนใจได้เนะวลาทุกข์ร้อนใจเงินทองดับได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีธรรมะเข้ามาชะลมใจเดี๋ยวเดียวก็เดี๋ยวเดียวก็หายทุกข์หายร้อนนะนะนะ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 กายทิพยอตอนนี้ไม่ตายตอนนี้ที่ไปได้ร่างกายอันใหม่เนี่ยเคยคิดอะไรก็กลับมาคิดเหมือนเดิมเคยชอบอะไรก็ชอบเหมือนเดิมเคยเกลียดอะไรก็เกลียดเหมือนเดิมเคยชอบทำบาปก็กลับมาทำบาปเหมือนเดิมตัวที่ไม่ยอมรับตัวเองแก่ตัวนี้คือแก่ทิพย์หรื น, นั่นแหละทุกชาติมันก็ไม่ยอมแก่ทิพที <laughs> มันยากแต่เกิดอย่างเดียว <laughs> ไม่แก่ไม่แก่ไ ม, ไม่ตายก็ดูคนก็อายุเจ็ดสิบยังเตะตี๊บดังเลยใช่ไหมอ่าแล้วความอยากมันก็ไม่ได้ตายมันก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายความอยากมันยังเหมือนเดิมเคยเที่ยวยังไงก็ยังอยากเที่ยวอยู่เห็นม่คนแก่ขนาดนั่งรถเข็นยังอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเลยเพออยู่บ้านมันอึนอดอัดใช่ไหมพอได้ออกไปนั่งรถเที่ยวไปดูนู่นดูนี่หน่อยก็อ้อโลงอกโล่งใจสบายใจขึ้นมา พ่ามันยังติดลูกเสียงกลิ่นรสอยู่จิตดวงนี้มันสะสมอยู่แตเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนี้เลยสะสมอะไรมันก็จะไปอย่างนั้นมันเป็นนิสัยไปเขาเรียกว่าถ้านิสัยดีก็เป็นบุญบารมีไปถ้านิสัยไม่ดีก็เป็นบาปกรรมไปถ้านิสัยชอบกินเหล้าเล่นการพนันนี้มันก็จะติดนิสัยไปถ้านิสัยชอบทําบุญไปวัดชอบรักษาศีลมันก็จะไปทําบุญไปวัดไปคนเราจึงเวลาเกิดมาจึงมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนชอบทําบุญชอบไปวัดกันบางคนชอบไปบาไปผับไปบ่อนกันมันอยู่ที่นิสัยที่เราสะสมมาส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนที่เราอยู่ด้วยเวลาเราไปเกิดอยู่กับครอบครัวนเขาก็จะสอนให้เราทำอย่างนั้นครอบครัวกินเหล้าเขาก็จะให้เรากินเหล้าครอบครัวที่เขาไม่กินเหล้าเขาก็จะห้ามไม่ให้เรากินเหล้าอันนี้เราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนนิสัยได้วันนี้นิสัยพี่เดิมพี่ชอบกินเหล้า ดวงนี้ก็จะไปเกิด อ, อยู่ก็ผู้ที่กินเหล้าหรือเปล่าป้าไม่จําเป็นมันจะไปเกิดกับใครนี่มันไม่แน่อันนี้เราไปกําหนดไม่ได้เหมือนกับเราไปจอดรถที่สี่แยกไฟแดงนี่เราจะไปเจอรถคันเดียวกันไหมแต่ละครั้งมันไม่แน่หรอกใช่ไหมเวลาไปจอดสี่แยกไฟแดงเคยจะไปเจอรถคันเดียวกันหรือเปล่าไม่เจอหรอกนะเวลาเราไปเกิดนี่เราไปเลือกไม่ได้ว่าจะไปเกิดกับใครป้าจันครับ กายคิดกับจิตนะครับตัวเดียวกันไงเวลาอยู่ในร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเนี่ยจิตก็คือตัวคิดตัวรู้แต่พอแฉงร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นดวงวิญญาณไปอาจารย์ครับแล้วบาก็ไปวัดก็มานี่เป็นยังไงก็ได้ครึ่งก็เอาอย่างละครึ่งไงอย่างละครึ่งก็ได้ทั้งคุณได้ทั้งโทษ เวลาไปวัดก็ได้คุณเวลาไปบารก็ได้โทษยังบอกคนเราไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวมันก็เลยสะสมคะแนนกันไว้ไงทําบาปก็ได้คะแนนไปทําบุญก็ได้คะแนนไปพอเวลาตายนี้บุญกับบาปจะมาคิดบัญชีกันใครมีกําลังมากกว่าก็ดึงใจไปก่อน ถาบาปมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปรับผลบาปก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปรับผลบุญก่อนจนก่า บ, บาปกับบุญจะเท่ากันจะดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะดึงไปอบายไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แต่บุญบาปยังไม่หมดนะเพียงแต่ว่ามันเท่ากันเนะี่ยก็ยังมารอรับผลบุญผลบาปในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เองนะบางวันก็ดีใช่ไหมบางวันก็ทุกอย่างก็ไหลดีไม่หมดเลย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 ถึงแม้จะทุกขอย่างไรก็อย่างน้อยก็ยังได้เที่ยววะยังได้กินได้ดื่มเวลาทุกนี้จะลืมไม่หมดนะเวลาทุกนี้เวลาเวลาทุกข์ก็อยากจะตายเท่านั้นอนะ่ะใช่ไหมคอเวลาทุกมากๆากนี่กระโดดตึกตายกันนะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไปฆ่าร่างกายก็ไม่ได้ไปทําฆ่าตัวที่เป็นตัวปัญหาตัวที่ทําให้เราทุกข์ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเรานี่แหละ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 แล้วก็จะทําให้ไม่อยากอยู่แตคนที่ปรับตัวเองนะว่าตอนนี้จนแล้วไงก็อยู่แบบคนจนไปมันก็อยู่ได้มันก็ไม่ทุกข์ตัวปัญหาคื อ, ค, อความอยากงั้นอย่าพยายามตัดความอยากอย่าไม่มีความอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดเข้าใจไหมพอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราได้รับจะมากจะน้อยก็พอใจ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 เข า, เาดื่มเหล้าดื่มเบียร์วันละแก้วอย่างเงี้ยก็อยู่เดื่มที่บ้านแล้วก็ก็แบบคือดื่มเป็นชีวิตประจำวันแต่เไม่ได้ออกไปไห น, น <Okay. S 2> ดื่มแล้วก็หลับอย่างนั้นก็บาปหรอือเปล่าคือการดื่มชวานี่มันเป็นเหตที่ให้เราไปทําบาปสีข้อนี้ถ้าเราดื่มแล้วนอนหลับก็ไม่บาปไม่ได้ไปถ้าเราดื่มแล้วเราไม่ได้ไปตบยุงไม่ได้ไปฆ่ามดไม่ได้ไปทําร้ายใคร ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติปิดประเวณีไม่ได้โกโหกก็ไม่บาปเองแต่ว่าคนโซยายมันไม่ได้กินแบบนั้นมันกินแล้วมันเมากันเมาแล้วก็ไปขับรถอย่างเงี้ยขับแล้วก็ไปชนคนตายเียขาถึงไม่ให้ดื่มโซลาเพราะดื่มโซลาจะทำให้ไม่มีสติประคับประคองการกระทาของเราจะทำให้เราพูดจาอยากคายเวลากินเหล้าเมาแล้วจะจะพูดจาอยากคายจะไม่มีความอับอายขายหน้าอ พออะไรไม่พอใจก็จะด่าเขาจะทุบตีข้าวของอะไรต่างๆเพราะไม่มีสติคอยควบคุมอารมณ์ของตนเองท่านจึงเอามารวมไว้ในศีลห้าด้วยพ่าอย่าเดิมโซลาจะได้มีสติพอมีสติก็จะสามารถคอยควบคุมการกระทําบาปได้แต่ถ้าไม่มีสตินี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเดิมเพื่อเป็นยานอนหลับก็ไม่เป็นไร ก่อนจะนอนก็เดิมสักแก้วหนึ่งแล้วก็เข้านอนนีก็ถือว่าเป็นการกินยานอนหลับก็แล้วกันกลัวเด๋ยวมันจะนอนไม่หลับมันต้องเดินก็มันเดือดอีกหลายแก้วเพราะบางวันเกิดอารมณ์ไม่ดีมีปัญหามากมีเรื่องมีราวมากตอนนั้นนะ่ะมันแทนที่จะดื่มเป็นยามันอยากจะดื่มเพื่อมาดับความเครียดนะนะกินแก้วก็ไม่ยังไม่หายเครียก็สองแก้วเดี๋ยวสามแก้ว เดี๋ยวกินมากๆเดี๋ยวก็อารวาสได้ยังก็ระวังก็แล้วกันต้นเหตุของการจะไปทําบาปต่อไปแต่ถ้าเราคือถ้าหดื่มเหล้านี่ถือว่าผิดศีลข้อห้าถ้าผิดศีลต้องบาปว่าครับก็บาปแต่เพียงแต่ว่าบาปแบบบาที่มันไม่เป็นโทษอะยังไม่มีมันไม่มีโทษนะมันถึงแม้จะอยู่ในศีลห้าก็จริงไม่ถือว่าเป็นบาปเองแต่ว่าเป็นอบายมุข อบายามุกก็คือเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปอีกที่นึงเช่นเราไปเล่นการพ น, นันเดี๋ยวเราหมดตัวเราก็ต้องไปขโมยเงินมาเล่นต่ออย่างนี้ค่ะคือผมเคยนั่งสมาธิแล้วก็นอนสมาธิต่อด้วยครั่อรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าไม่รู้สึกถึงร่างกายของตัวเองขนาดลมหายใจของตัวเองไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเลยแต่ว่า ในใจยังนึกถึงพุดโธรพูดโธรอยู่ครับจนจนถึงตอนนั้นแล้วตกใจก็เลยก็เลยพยายามหาลมหายใจขอ ง, องตัวเองให้เจอแล้วมันก็รู้สึกวูบลงมามันมันแปลกๆะคระับก็เลยอ ย, อยากถามว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วต้องต้องทายัางไงต่อก็ <c oughs> ถ้าเราถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจได้ก็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 ให้มันนิ่งให้มันสงบไปอย่าให้มันคิดอะไรตอนนั้นถ้ามันสงบจริงๆมันจะมีความสุขมากมันจะรู้สึกมีความพออิ่มไม่อยากได้อะไรตอนนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่ามันจะถอนออกมาเวลาถอนออกมามันก็จะคิดถึงคนนั้นมารับรับรู้เรื่องของร่างกายต่อไปตอนนั้นก็ใหิ หยุดความคิดต่อไปหัดควบคุมความคิดไปเรื่อยๆก่อนตอนต้นยังไม่ต้องไปคิดทางปัญญาตอนต้นให้หยุดความคิดให้เป็นก่อนเพื่อเราจะได้ทำใจให้สงบได้ต่อไปเราชำนาญหยุดความคิดแล้วเราค่อยมาเอาความคิดมาคิดในทางปัญญาให้เรามาหยุดความอยากต่างๆต่อไปพระอาจารย์ครับกรุณาแนะวิธีลัดสั้นตรงสาหรับพวก กรผมด้วย อ, อไปบวชกันเลย ส, ส, สั้นที่สุดตรงที่สุดเนี่ย <c oughs> ไปบวชกันเลยแต่้องเป็นคารนะวะเนี่ยอยู่ในโลกคารวะไม่มีไม่มีสั้นไม่มีตรงนะอ่ะมันมีแต่ อ, อ้อมยาวถ้าอยากเป็นถ้าอยากไปยาวต้องไปเป็นคาวนรวะควรปฏิบัติอะไรครับควบรปฏิบัติยังไงดวยก็คารวะก็เหมือนทําบุญให้เป็นนิสัยเช่น ถ้าเมื่อก่อนมีพระสมัยก่อนจะมีพระมาตามหมู่บ้านก็คนก็ใส่บาตรกันประจําวันเดีย๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ทําบุญประจําวันก็เอาเงินที่จะทําบุญนิสกักระปุกแทนก็ได้ทําบุญให้มันทําให้เป็นนิสยัยแล้วเวลาถึงเวลาจะไปวัดหรือเวลาที่จะไปทําบุญเราก็ได้มีเงินทําบุญได้แต่เราไม่ทําบุญเป็นประจํานี่เดี๋ยวเวลาจะทําบุญผ้าป่ามาซองผ้าป่ามาซองกระถิ่นมาไม่มีเงินทํามีก็นิดเดียว แต่ถ้าเราทําทุกวันเก็บไว้วันละนิดวันละหน่อยพอถึงเวลาผ้าป่ามาก็ะถิ่นมาแล้วก็เอาเงินนี้ที่เราเก็บไว้ในกระปุกนี้ทำบุญได้เลยอันนี้ต้องทําบุญให้เป็นนิสัยให้ได้อย่าหวงเงินหวงทองอย่าตนันีเอาเงินทําบุญนี่เหมือนกับไปซื้ออาหารให้กับใจนะอย่งเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารอย่นพยายามทําให้เป็นนิสัยให้ได้เพราะว่ามันจะได้ทํำบ่อย ถ้าเรานานๆทําทีมันจะทํามันจะทําทําได้น้อยเช่นเราให้วันเกิดทีค่อยมาทำเราให้วันวิสาขะวันอะไรค่อยมาทําปีหนึ่งมันก็มีไม่กี่วันเราควรจะทำสามร้อยหสิบห้าวันเลยวันตามกําลังของเราแล้ววันนี้มีกี่ตังเราก็ใส่กระปุกไปใส่กระปุกไปสะสมไว้แต่ห้ามแตะมันนะไม่ใช่ยืมวันหลังไม่มีเงินมาขอยืมไม่ได้นะ อันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นของเรานะเ ป, นเป็นของวัดข อ, ของผู้อื่นแล้วอย่างแต่เขาฝากเราไว้เรายังไม่มีเวลาไปให้เขาอย่าไปถือว่าเป็นของเรานะถือว่าเป็นเงินเขาฝากไว้เป็นเงินวัดฝากไว้หรือเงินขององค์กรการกุศลที่เราอยากจะไปทำบุญด้วยฝากไว้พอเรามีเวลาเราก็ เ, เงินนี้ไปให้เขาแล้วเราจะได้ทำบุญทุกวันแล้วก็หมั่นรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวัน ถ้าเราทำสองอย่างนี้เราก็ปลอดจากอบายแล้วตายไปรับรองได้ไม่ต้องไม่ไปอบายอย่างแน่นอนไปก็ไปสวรรค์กลับจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาทมําบุญรักษาศีลต่อเพราะมันจะเป็นนิสัยไงถ้าเราทํามันเป็นนิสัยแล้วไม่ว่ากิจพบกิจชาติกลับมามันก็จะทําอย่างนี้แต่มันก็จะได้แค่นี้ได้แค่ได้แค่ทําบุญรักษาศีลแล้วก็ไปสวรรค์กลับไปกลับมาถ้าอยากจะไปสูงกว่า น, นั้นก็ต้องเพิ่มอีกข้อนึงนั่งสมาธิ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 แล้วพอนั่งสมาธิเป็นมีความสุขจากการนั่งสมาธิก็ไปบวชได้พอไปบวชล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็ต้องทำตามขั้นไปขั้นการวานี้พระเจ้าก็สอนให้ทำสองอย่างรักษาศีลห้ากัรทำบุญละวันพระก็ไปวาดไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปกกันสักวันหนึ่งไปเตรียมตัวบวชกันไปซ้อมกันก่อน การไปถือศีลแปดนี่ก็เป็นและการไปเตรียมตัวไปบวตกันนะตอนตั้งก็ลองไปทําวันหนึ่งก่อนพอทำแล้วชอบไอ้ดีเนี่ยมีความสุขมากขึ้นก็อาจจะทําบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะบวชเองคนที่จะบวชจริงๆนี่ต้องต้องอยากบวชเพราะเห็นว่าบวชแล้วมีความสุขกับอยู่อยู่แบบเป็นค า, ารวาะแต่ถ้ายังคิดว่าอยู่แบบค า, ารวะนี่สุขกับการไปบวชก็ไปบวชไม่ได้เข้าใจไหมนะ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 มากน้อยไม่เป็นไรขอให้เรามีทำห้าบาทสิบาททำไปเรื่อยๆทำให้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะอยากทำทุกวันเ้วก็รักษาศีลทุกวันศีลห้าวันพาก็รักษาศีลแปดต่อไปพอศีลแปดดีอาจจะไปอยู่วัดครั้งละสา ม, ว, มวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างพออยู่ได้นานๆเขายิ่งว่ายิ่งชอบยิ่งดีก็บวชเลยบวชแล้วก็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 แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทําบุญดีกว่าเที่ยวก็เที่ยวบ้างแต่รถมันลงไปเมื่อก่อนนี้เที่ยวร้อยทั้งร้อยเดีางนต่อบไปอาจจะลดเหลือแค่ร้อยละห้าสิบเอาอีกนห้าสิบมาทำบุญดีกว่าเพราะทาบุญแล้วมีความสุขใจดีที่ดีกว่าไปเที่ยวมันก็สุขเดี๋ยวเดียวกลับมาหายไปหมดแล้วทําบุญนี่มันยังมีความสุขใจอยู่เรื่อยๆคิดถึงบุญที่เรา ท, ทําทีไรก็มีความสุขแต่คิดถึงที่เราไปเที่ยวก็ทําให้เราอยากไปเที่ยวขึ้นใหม่ ผลมันต่างกันเป็นเรื่องทานศีลภาวนาใช่ไหมครับอ่าเป็นขั้นไปขั้นต้นก็เอาเอาทานกับศีลก่อนแบ่งเป็นสองขั้นไงทานศีลนี่เป็นขั้นนักบุญแล้วศีลภาวนานี่เป็นขั้นนักบวชศีลมีสองขั้นศีลห้ากับศีลแปดศีลห้าเป็นของพวกนักบุญศีลแปดเป็นของพวกนักบวชถ้าถือศีลแปกก็ต้องภาวนาถ้าถือศีลห้าก็แค่ทําทาน ทำไปเดี๋ยวก็รู้เองเข้าใจไหมหายสงสัยแล้วนะอ เ, เอายังานจะอยู่ต่อหรือจะไปจะถามโยมยังไม่เคเข้าใจตัวเองค่ ะ, าะอาจารย์ช่โยมเคยเกิดสุขครั้งหนึ่งสุขมากเลยเสุขจนท้าประมาณนี้ได้เลยระหว่างตรงนั้นมีความสึกว่า โอ้สุขขนาดนี้เงินทองทั้งภูเขามาแรกก็ยังไม่อยากได้เลยเ อ, อสุขหาประมาณไม่ได้สุขเนาะจนทําคางมาว่าสุขเนาะสุขนาะอยู่อย่างนั้นนะคะเออมันเป็นความสงบมันตอนนั้นใจมันปล่อยวางมันหยุดความอยากไว้ชั่วคราวมันก็เลยเกิดความสุขขึ้นนะเกิดระหว่างที่กำลังวุ่นวายใจตัวเองอยู่นะคะเออแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่าปล่อยวางมันก็สุขพอปลงปั้มันก็ปล่อยมันก็สุ ข, สขไปโยม เหนื่อยสุดๆเลยค่ะพอานสุดขีดเลยเสร็จแล้วก็ร้อนก็ร้อนก็ไปอาบน้ํำถามน้ําราดหัวเราพิจารณาเกิดมาทําไมอทําเหนื่อยอย่างนี้เพื่อใครเพื่ออะไรเออมีลูกหรือของลูกหรือก็พยายามตัดตัดตัดมันพุ่งทะลุออกไปเลยสมองโป่งเรื่องทัหมดเลยเรียกวิปัสสนาอันนั้นเหรอคะวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเราไปทุกข์กับวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ทำไมได้ประโยชน์อะไรพอเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็สลัดทิ้งไปเลยพอปล่อยปับใจเราก็โล่งเลยมันหลุดเองอะค่ะพระอาจารย์อ่ามันเห็นทุกข์ไงเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งกับมันปรงว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดใช่ไหอคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดเหตุอย่างนั้นได้เมื่ที่ไม่ได้นั่งภาวน า, วาบารมีเก่าไงมีปัญญาบารมีพิจารณาเป็น พิจารณาจะเกิดมันจะซึมออกมาจากตรงนี้คะ่ะป้าจางจะบอกเราเนี่ยพยายามคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพิจารณายีาน่นะคะเรื่อยๆกับทุกอย่างพอใจวุ่นวายกับอะไรก็พิจารณาปล่อยมันซะเอาอะไรไปไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับมันครั้งนึงนั่นนองอยู่ในห้องน้ํานะคะป้าจาองตรงเนี้ยขุดออกมาว่าทุกคำนึกออากมาทุกอะไรสมองก็คิดแล้วอ๋อสองวันก่อเราทุกเราทุกแบบนี้เหรอเราพุ่กันมาให้ทราบหมดเลยว่า อ๋อความทุกข์นี้ไม่ให้เข้าสู่ใจอ่ะใช่แล้ววันนั้นยิ้มนวลมากเลยพระอาจารย์เนี่ยเขาเรียกมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์อยู่ที่ใจเราแล้วต้นเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราพอเราละต้นเหตุของความทุกข์ได้ทุกข์ก็หายไปมันจะขุดอย่างนี้อยู่บ่อยๆอ่านั่นแหละถูกต้องวิธีแก้ปัญหาต่อไปก็แก้ที่ใจเราไม่ต้องไปแก้ที่แฟนไม่ต้องไปแก้ที่ลูก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 พอเราปองเสียวางเสียปั๊บมันก็หายทุกวางได้ใช่ไหมวางได้ใช่ไหมเป็นครั้งเดียวครั้งขดาวค่ะเราล้วก็กลับมายึดใหม่เดี๋ยวก็ทุกพอทุกก็ปล่อยได้พระอาจารย์ผมสงสัยบัางแล้วแต่พระอาจารย์แจกการุณานะฮะว่าคือที่เขาบอกเห็นเห็นจิต เกิดดับมันเห็นเห็นยังไงมันมีเห็นหลายแบบอ่ะแต่เห็นจริงๆต้องเห็นทุกเกิดดับถึงจะถูกเห็นว่าทุกเกิดแล้วก็ดับเพราะเหตุนี้ทุกเกิดเพราะเหตุนี้แล้วทุกดับเพราะเหตุนี้ต้องเห็นแบบนี้มันถึงจะมีประโยชน์แต่ถ้าจะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเช่ตอนนี้ดีใจเดี๋ยวเสียใจมันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันแต่เห็นแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่ากับเห็นว่า เราเสียใจเพราะอะไรอะไรทำให้เราเสียใจแล้วพอเราหยุดเหตุที่ทำให้เราเสียใจได้ความเสียใจนั่นก็หายไปอันนี้ต่อไปความเสียใจก็จะไม่มีเพราะเราจะไม่สร้างเหตุที่ทำให้เราเสียใจความเสียใจก็เพราะเราผิดหวังใช่ไ้ยเพราะเราอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็จะเสียใจถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่เสียใจเน้นต่อไปเราก็อย่าไปอยาก อย่าไปอยากเป็นกำนันอย่าไปอยากเป็นสอท อ, <c oughs> อไปสมัครเลอกก็ไม่ได้ก็จะเสียใจคนที่ไม่อยากเป็นเขาก็มีมีความเสียใจงั้นเราก็จะเห็นความจริงของความทุกข์ของเราว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราให้เห็นแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเห็นว่าออดีใจเดี๋ยวก็หายไปเสียใจแล้วเดี๋ยวก็หายไปแต่ยังไม่สามารถที่จ ะ, ะกําจัดมันได้ เราต้องกําจัดของเหล่านี้ให้ได้เพราะมันมีเหตุที่ทําให้มันเกิดแล้วมีเหตุที่ทําให้มันดับแล้วก็ไปหาเหตุที่ทําให้มันดับพอเราเห็นได้เหตุนั้นแล้วมันก็จะสบายเหมือนโยมที่เขาเล่าให้ฟังเยพอเขาพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เขาก็ปล่อยวา ง, องพอปล่อยวางเขาก็หายทุกข์อาจารย์คะมีครั้งหนึ่งเกิดเกิดกไปภักที่พักวัดพระอาจารย์มันชัยนะคะเ้าเพิม่มาก็เดิน เดินมาจากปุ่ดชอบเดินจากตำป่าเนี้ยค่ะเดินออกมานีตัวเห็นสามีเห็นลูกจูงมือกันอยู่ตรงนูใจนิ่งเหมือนกับไม่เคยเกี่ยวของเลยนิ่งพอเดินใกล้ๆมันวิ่งวิ่งใจวิ่งอยู่สกัดนัมนนะักการสกัดจะพักใหญ่ๆสักพักแล้วิ่งปังปังเลยเอเหมือนกับความเยื่อใหญ่ตรงนั้นมันพันมันตัดกันไปเลยเอตัดอุปทานความยึดมั่นทิ้งมันทำไมอยู่ดี จัดการภาวานาไม่เคยเกิดเลยนะคะอาจารย์มันจะเกิดจากกันใช่การภาวานานี่มันทําให้ใจสงบเท่านั้นเองแต่นี่มันปันปญญาปัญญามันจะคอยตัดตัวที่มาทําให้เราทุกพอเราเห็นว่าเรากำลังจะไปทุกข์ก่อนเรื่องนั้นเราก็ตัดมันเลยต้องใช้ปัญญาใช่ปัญญาทีนี้ตัดได้สมาธิเพียงแต่หยุดใจไว้ชั่วข่าวนั้นเองพอจากสมาธิมาพอเห็นสามีเห็นลูกก็ ห่งใ่ขึ้นมาทันทีมันวิ่งจะไปพันเลยใช่จะไปพันแต่เราพยายามจะพอเราพอเรารู้ทันแล้วก็ตัดมันจะสกัดสกัดได้พักเดียวเองก็ไม่อยู่ต่อไปต้องสกัดอยู่เรื่อยๆต้องใช้ปัญญาบอกว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วต่อไปเราก็จะไม่ไปวิ่งไปหาเขาตอนนี้เราอาจจะสกัดด้วยสติมันใช้กําลังหยุดมันสู้กับความอยากที่จะไปยึดไปติดเขา แต่นี้มันก็ยังไม่สามารถตัดอย่างถาวรได้แจะตัดอย่างถาวรได้ต้องเห็นว่าสามีกับลูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราครับต้องเห็นว่าเขาไม่เที่ยงสักวันนึงเขาก็ต้องจากเราไปต้องเกิดจากจิตที่ต้องเห็นความจริ ง, รงต้องเห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ของเราต้องเห็นตายรักเราถึงจะตัดได้ถ้าใช้กําลังสติมันก็ตัดได้ชั่วคราวเดี๋ยวพอเผลอก็กลับไปยึดติดเหมือนเดิม เห็นมันพิจารณาตายรักอย่รื่อยๆหรือต้องพยายามพิจารณาออย่เห็นสามีก็ว่าไม่เที่ยง เ, เห็นลูกก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากกันถ้าต่อไปมันจะไม่ไปยึดเห็นว่ามันยึดแล้วทุกข์ไงพอไปยึดแล้วมันจะทุกข์นี่เราต้องแก้แ ก, ก, ก้การยึดติดด้วยการเห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าปัญญาอ่าปัญญา ในขณะที่เรากำลังจะไปยึดเนี่ยพอเราจะไปยึดจะบอกเฮ้เขาไม่ใช่ของเราเนะี่ยเขาจะต้องจากเราไปนะพอะ เ, รรเขาจากไปก็เลยไม่ยึดเพราะไปยึดเราเดี๋ยวเวลาจากกันจะทุกข์ถ้าไม่ยึดเราจะไม่ทุกข์เคนที่เราไม่ยึดเวลาเขาจากเราไปเรารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่เรายึดนี่พอเขาจากเราไปเราจะรู้สึกเสียใจ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 ต้องต้องใช้ตายรักถึงจะตัดได้อย่างถาวรถ้าใช้สติมันก็เพียงแต่ชั่วคราวอพอมีสติก็ก็หยุดความยึดติดได้พอเผลอก็กลับไปยึดใหม่พอเห็นเป็นลูกเป็นเป็นสามีก็ยึดทันทีก็เป็นของเราทันทีแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันก็จะไม่ยึดเห็นว่าเดี๋ยวต้องเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปมันก็จะไม่ยึด ถึงบอกอย่าไปคิดแต่วันเกิดให้คิดถึงวันตายบ้างเด้ไหมเนี่ยปัญญาวิปัสสนาเนะียต้องดูวันตายกันบ้างดูวันจบกันบ้างใจเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดอาจารย์คะแล้วถ้าคนที่ไม่นั่งสมาธิเลยจะเกิดอย่างที่สาวโนอย่างนี้ไหมครัะย่าเพราะไม่มีกําลัง <c oughs> ไม่มีสติใจมันจะลอยไปกับมันจะยึดกับติดกับของต่างๆไป มันจะไม่อยากให้จากกันมันยังไม่มีสตทิที่มาคิดว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดกับเขานะนี่เขาเคยฝึกมาก่อนมึงีบารมีเก่าเขามีของเก่าติดตัวมาอิ่งนี้ต้องสาธุด้ะคะ่ะอาจารย์ครับานหนึ่งอย่าเล่าให้ป้ า, ารย์ฟังค่ะหนูภาวนาวันนั้นหนูไปผัดหักภาวนาอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปนอนภูสังโฆ ค, คืนหนึ่งคืนที่เอาไปถ้ำเต่าคืนหนึ่ง แล้วก็ไปฟูสโคลคืนคืนที่ไปฟูสังคมหนูเดินนั่งเดินแต่ค้า้งละนิดนิดหน่อยหน่อยเองแต่ตื่นถึงบ่ายตีหนึ่งถึงตีหนึ่งฟอเอพรุ่งนี้เช้าตื่นเดี๋ยวเช้าจะมาทําอาหารที่ศลานอนดีกว่าเดี๋ยวจะตื่นไม่ไหวก็ลงไปนอนพักเดี๋ยวเองก็ได้ยินน้องเขาพูดว่าตื่นเถอะืเถอะมันตีสามกว่าแล้วหรู้เป็นคนหูตึงนะคะมไม่ใช่ได้ยิีแต่ฟันก็ชัดมากเลย กะซิบนะคะก็กะซิบเบาๆแต่หนูชัดเด่นชัดเลยแต่บอกเดี๋ยสักพักเลยเราค่อยลุกทําไมหนูได้ยินกล้องขอเขาเป็นคนพูดเบามากด้วยกระซิบเบาๆด้วยเพรา ะ, ะ ม, มันมีสติแล้วมันมีความตั้งใจจะตื่นอยู่แล้วเหมือเรา ต, จจตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลาก่อนนอนแล้วตั้งใจจะตื่นเวลาไหนเนี่เดี๋ยวถึงเวลามันจะปลุกเราเองแล้ยิ่งถ้าเราไปปฏิบัตินี่เราจะมีสติ ีนนว่าสติอยู่ ต, ตัวใช่ไมค ะ, ะมีสติอยู่กับตัวแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะตื่นเวลานั้นเวลานี้พอได้ยินเสียงมันก็ชัดเลยถ้าคนปฏิบัติมากๆนี่ไม่ต้องใช่นาฬิกาปลุกเรา ต, ตั้งนาฬิกาปลุกในใจได้มันจะตื่นกี่โมงนี่อพอถึงเวลาปุ๊บมันจะตื่นขึ้นมาเองเลยแล้วถ้ามันมัน ตื่นก่อนลุ้านานไปหน่อยทำไงก็ได้เมื่อกี้มันตื่นก่อนลุ้มไั้ก็ต้องวนหป่ะก็แล้วแต่ถ้าคุมได้ก็ถ้าถ้าถ้ามั่นใจว่าพักต่อไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นก็พักต่อไปถ้าถ้าไม่ไม่มั่นใจก็นั่งสมาธิรอเวลาไปก็ดีจะได้ปฏิบัติมากขึ้นเพราะนั่งปฏิบัตินี้เขาจะไม่ชอบนอนกันเขาจะนอนให้น้อยกินให้น้อยก็อยากจะปฏิบัติกันให้มากๆ เพราะว่ากินกินก็นอนก็ได้ที่ร่างกายแต่ปฏิบัติมันจะได้ที่ใจนใจสําคัญกว่าร่างกายร่างกายจะกินนอนดีขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายแต่ใจนี่ถ้าได้ปฏิบัติมากก็จะได้ความสุขมากได้ได้หลุดพ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอยนักปฏิบัติก็ถึงไม่ค่อยกินกันมากไม่ค่อยนอนกันมากก็กินพออยู่ได้นอนหลับพอพักผ่อนก็พอสองสามชั่วโมงบางทีก็พอละ บางคนก็ถึงเนสัตชิกกันได้ไม่นอนเลยก็มีถือสามีริยยบวดกันเพื่อเขาจะได้เจริญสติได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องตรงนี้จะได้บรรุเร็วครับก็ดีเพราะใจเราเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลานอนมันก็จะฝันถึงสิ่งที่ดีที่งามงต่าง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 ในทางตรงเงานข้างคนที่ทำบาปนี่นอนหลับจะฝันลายตื่นก็ทุกนอ น, กนหลับก็ทุกเพราะมันเป็นความคิดที่ไม่ดีถึงสอนให้ทำทาบุญเพราะการทำบุญเป็นการคิดดีการละ บ, บาปก็คือการละความคิดที่ไม่ดีนี่ เ, เพราะการกระทำนี้ก่อนจะทำได้ต้องคิดก่อนก่อนจะไปฆ่าเขาได้ต้องคิดก่อนว่าจะไปฆ่าเขาแล้วมันฝังในใจ แล้วเวลานอนหลับมันก็จะโผกขึ้นมาแล้วเวลาตายไปมันก็จะพาเราไปอวบายกักนพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์บอกว่าช่วงหลังเนี่ยปัญญาเห็นแล้วก็ปัญญาตัดและช่วงแรกที่ใช้สติหยุดแล้วใช้อะไรปัดครับอาจารย์ก็ใช้สติหยุดไหมก็เป็นเหมือนสบายที่ไปหยุด <im it> ไป ใ, ให้มาสงบตัวให้<อ>หยุดคิดปรุงแตง่งที่จะไปยึดไปติดกับเขาก็จะเป็นสติแต่พอสติ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 ถ้าเรามีกําลังสติมีกําลังมากกว่าก็หยุดหยุดมันได้ออัดดบเช่แต่มันก็ยังจะกลับไปอยู่อีกอะเดี๋ยวพอไปเจอไปเห็นเขาก็จะกลับไปหาไปหาเขาอีกแต่ถ้าเห็นเขาว่าเป็นทุกข์นี้เราจะไม่ไปหาเขากำลังน้อยค่ะคุณว่าตัวเองปฏิบัติก็ไม่เห็นได้อะไรเพราะว่าเหมือนนั่งสมาธิเฉยนิ่งไหมสงบไหมก็ เ, เขา้าใจการนั่งสมาธิก็เป็นเพื่อสร้างกําลังให้กับจิตเพื่อเราจะได้ปล่อยไดแ้แต่ยมเคยนั่งล้มตกเิวตกบ่อไปครั้งหนึ่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้เลยแล้วใ uh จาหายเหมือนไม่มีลมหายใจอุ๊ยตกก <อ ication S 2> รใจค่ะอืุ๊ยตายแล้วเหรอตายแล้วเหร อ, อลืมตาเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เข้าใจช่วงนั้นไม่เข้าใจถ้าเข้าใจควรจะชวนจะเฉยเฉย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 ่วันนี้ดีมีถามสดเยอะๆหน่อยไหมภูมเลยค่ะอาารเดินทางมาภูมเลยค่ะยมดีใจมากที่ได้ทำบุญกับหลวงตานึกทีไรก็อิ่มเสมอเลยครับพะอาจารยนี่คือหนังสือที่หลวงตาเขียนนะเนี่ยหนงประวัติหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงตาเป็นคนเขียนเองหลวงตาไปสัมภาษณ์หลวงปู่ขาวเลยไปสนทนาถรมถามให้หลวงปู่ท่านเล่าประวัติให้ฟังแล้วท่านก็มาเขียน เ้าไปเนี่ยเราจะมีมีกำลังใจ <c oughs> เห็นวิธีปฏิบัติของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไร <c oughs> เป็นแบบฉบับที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องอาศัยตัวอย่างที่ดีเป็นตัวฉุดเราไปเพราะลาพังเราไม่มีตัวไม่มีกำลังที่จะไปเองเราจึงต้องพึ่งอาศัยเนี่ยประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอริยสงสาวกเนี่ยเป็นตัวสร้างกาลังใจให้กับเรา พอเราเห็นท่านต่อสู้ฟันฝ่าความทุกข์ความยากลำบา ก, กต่างๆมันก็ทำให้เรามีความกล้ า, าหาญที่จะทำเหมือนกับท่านบางทีเราไม่รู้ว่าเราทำได้เสียด้วยซ้ำไปเพราะอ่านป้าบเห็นเขาทำงี้เราก็ทำตามเขาอย่างสมัยที่เราบวชใหม่ๆเราไม่เคยอดข้าวเลยพอไปอยู่บ้านตาเห็นพาคเขาอดกันเอ๊ะเขาอดเราก็ต้องอดบ้างเสยว ะ, ะก็เลยอดได้อดที่3วัน5วัน7วันไป พอไปอยู่กับคนที่เขาทาได้เราก็ทาตามเขาได้ <Yeah. S 1> หรืออ่านหนังสือก็ได้อ่านหนังสือครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ทาตามที่ท่านปฏิบัติได้เนี่ยหนังสือธรรมานี่โดยเฉพาะหนังสื อ, สอทางภาคปฏิบัตินี่มีประโยชน์มากประวัติหลวงปู่ั่านนี้ประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆปฏิปทาของท่านเนี่ยเป็นหนังสือที่จะให้เรามี กำลังใจให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วพอเรารู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้เราก็ทําตามตพอเราทําตามตเราก็จะขยับก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเรา ป, ปฏิบัติแบบเดิมอย่างนี้เราก็จะอยู่ที่ทเดิมมันจะไม่ก้าวไปไกลกว่านี้แต่อยากจะก้าวไปกว่านี้มันต้องเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเช่นถ้าเรากินสามืออย่างนี้เราก็ต้องลดเหลือ สองมือ้อไม่กินหลังเพลงหลังเที่ยงหลังจากกินสองมื้อแล้วอยากจะก้าวหน้าก็กินมื้อเดียวแล้วอยากจะก้าวหน้าแบบนี้กินวันเว้นวันอ้าวจริงๆของพวกนี้มันช่วยนะ <c oughs> บางทีท่านอดทีละสาวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยภาพวันตากัานตานี้ท่านอดกันนี้ตลอดเวลามันมันทำให้ขยันมันไม่มันไม่ง่วงนอนแล้วมันบังคับให้ภาวนาเพราะเวลาอดนิ่งใจมันจะหิว แล้วพอภาวนาใจสงบหายหิวมันก็จะรู้ว่าความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ใจความหิวส่วนน้อยอยู่ที่ร่างกายพอใจอิ่มแล้วร่างกายไม่ได้กินกับไม่เดือดร้อนแต่เวลาใจไม่สงบเนี่ยโอ้โหทรมานเพราะคิดแต่อาหารอยู่เรื่อยๆคิดอยากจะกินอยู่เรื่อยๆพอเลยต้องบังคับให้ภาวนาให้นั่งสมาธิพอได้นั่งสมาธิใจสงบมันก็เลยหายหิวมันก็เลยทําให้ภาวนาเป็น งั้นมันธรรมดามันเราจะไม่ชอบภาวนากันเรางต้องหาเหตุเหตุการบังคับให้เราภาวนาพอภาวนาแล้วต่อไปมันภาวนาเป็นมันก็เลยชอบภาวนาและภาวนาง่ายอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้อันนี้เป็นเหตุที่พระต้องหาอุบายวิธีทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้มาบังคับใหมาภาวนากันนั่นเอง พอภาวนาเป็นแล้วก็สบายแล้วมีเครื่องมือที่จะพาไปนิพพานได้แล้วะอาจารย์ครับผมขออนุญาตย้อนไปเรื่องทําบุญนะั้นนอกจากเก็บเงินทําบุญแล้วมีวิธีอื่นไหมอ๋อบุญอย่างอื่นก็มีแต่มันไม่สําคัญถ้ามันไม่งา่ายมันกับถ้าวิธี น, น, ธนี้เพราะเรามีงานกันทุกคน ม, มันวิธีอื่นก็เวลา <c oughs> ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ย เห็นคนแก่คนเฒ่าเดินข้ามถนนถือข้าวถือของเราก็ช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปหรือไปวัดหรือไปที่ไหน mm hmm. เห็นสถานที่มันสกเปรก mm hmm. ก็ช่วยกันทําความสะอาดนี่อันนี้ก็เลยก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะอันนี้ก็เป็นบุญรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถือไม่ตีตนข่มท่านไม่ไม่ตีตัวเสมอท่านอะไรอย่างนี้ต้องรู้จัก สามมาคารวะบุญที่เกิดจากความกตัญญูกตเวทีรููู้บุญคุณของผู้อื่นแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นบุญแล้วก็บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญนี่ก็ได้บุญเหมือนกันเวลาเราทำบุญเราก็อุทิศไปให้กับแต่บุญพวกนี้มันถือว่าเป็นบุญน้อยบุญใหญ่ๆนี่คือบุญที่จากการทำทานนี่อันนี้เป็นบุญใหญ่ แตบุญอย่างอื่นนี้มันบุญบุญเสริมมากกว่าแล้วควาบุญอะไรที่ได้มากที่สุดอะไรก็ไอไอนั้นถ้าบุญที่มากที่สุดก็เนี่ยก็ภาวนาภาวนาที่ทำบุญที่เอาเงินเอาทรัพย์มาจักาเนี่ยคะทำอะไรที่ได้มากที่สุดก็ทําทําธรรมทานเลยธรรมทานแล้วทำบุญที่ศาสนาศาสนาสนับสนุนให้มีการปฏิบัติทํา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 จดีมาอย่างไรแต่สำหรับที่จะสนับสนุนคนภาวนาหรือพระปฏิบัติเนี้ยต้องเป็นมีสถานที่เป็นป่าแบบนี้พระจะได้มีที่ภาวนาได้ <c oughs> ถ้าใช้เงินทองนะเลยลองลงมาก็พิมพ์หนังสือของครูบาอาจารย์แจกธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมนี่มีคุณค่าวกว่าเงินทอง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 ให้ธรรมะเขาไปก็เสียเวลาเปล่าๆเพราะเขาไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจหรือปฏิบัติตามได้ก็ต้องช่วยเหลือทางอื่นไปให้เขาหากเขาก็เดือดร้อนทางเสื้อผ้าอาหารอะไรนี้แล้วก็ช่วยทางเสื้อผ้าเช่นเวลาน้ําท่วมไฟไหม้นี้เราจ่าหนังสือธรรมะไปแจกคงไม่มีประโยชน์นะ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องเอาเอามามา่มาเอาอะไรไปปลากระป๋องไปจแจกก็ต้องดูเวลาที่เราให้ว่า คนที่เขารับในี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาขาดอะไรอย่างสมัยพุทธกาลนี่ยพระขาดผ้าไม่มีใครให้ผ้าเลยมีแต่ใส่บาตรอย่างเดียวย้ยุคแรกๆเนี่ยพระนี่ไม่มีผ้าเพราะพระไม่มีใครถวายผ้ากันพระต้องไปหาผ้าตามป่าช้าผ้าห่อศพมามาตัดมาเย็บเป็นจีวรทีนี้มีผ้ามาบวชเยอะขึ้นเยอะขึ้นผ้าห่อศพมันไม่หอพระก็เลยไม่มีจีวรเปลี่ยนมีผืนเดียวบางที ไปเจอฝนก็เปียกทั้งตัวอย่างเงี้ยมีผ้ากลุ่มหนึ่งจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอดีไปเจอฝนก่อนพอไปเข้าเฝ้าก็ไม่มีจีวรเปลี่ยนก็ไปทั้งจีวรเปียกๆนะพระเจ้าก็เลยสงสารก็เลยบอกญาติโยมว่าอยากจะทําบุญได้บุญมากๆถอยผ้ากระถิ่นนะต่อไปนี้อ่าเนี่เป็นที่มาของผ้ากระถินตอนนี้ก็เป็นการถวายผ้านี่เองเป็นเรื่องราผ้ า, ากระถินนี่มีก็มีวิธีขั้นตอนที่ที่ ท, ที่รัดกลุ่มคือท่านไม่ให้ถวายกับรูปใดรูปหนึ่งท่านให้ถวายเป็นของสงเป็นของส่วนรวมแล้วให้พระร่วมกันมาพิจารณาว่าใครเดือดร้อนใครขาดแคลนก็ให้องค์นั้นไปก่อนไม่ใช่ยังงั้นถ้าเราถวายองค์นั้นองค์นี้เราชอบองคนั้นเราไปถวายองค์นั้นเดี๋ยวพระที่ไม่มีใครชอบก็ยังไม่มีใครถวายเพราะเจ้าท่านเลยป้องกันไม่ให้เกิดความเดื่อมล้ําต่ําสูงในสงเลยให้ถวายเป็นของสงไป ราใหสงพิจารณาความความเดือดร้อนว่าใครเดือดร้อนก่อนใครขาดก็เอาเอาไปก่อ น, นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของผ้ากระถินืนพวกเราก็เลยเชื่อว่าโอ้ยถ้ า, ถ า, ถาอยากทำบุญมากๆได้บุญมากๆต้องทอดกระถินอย่างเดียวความจริงเดี๋ยวนี้มันไม่สาคัญเช่าหมล่ผ้ามันเยอะเหลือเกินเนี่ยถวายนอกถวายผ้าป่าผ้าอะไรถวายกันอยู่ทุกวัน ยังกะท่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่มีความจําเป็นแล้ไม่ไม่ขาดแคลนแล้วซึ่งความจริงสําหรับพระพุทธศาสนาของเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ขาดแคลนอะไรนอกจากสถานที่ปฏิบัติมากกว่าเนีเพราะว่าที่ปฏิบัตินี้มันต้องใช้ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่ากว่าวัดธรรมดาใช่ไหมวัดธรรมดานี่สองสามไร่ก็ปลูกได้แล้วมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิก็อยู่กันได้แต่อยู่แบบนั้นมันไม่มันมั น, ม, น, ม, นมันไม่บรรลุแล้ว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 ทางปฏิบัติได้ก็ดีได้ข่าวว่ามีใครที่เมืองชนนี่เขาถวายที่ให้หลวงพ่อถุยไม่รู้กี่ร้อยไร่กันไม่รู้ท่านก็มาดูแลอยูอย่ตรงนี้นั่นแหละทําอย่างนั้นะถ้ามีที่เยอะๆก็ถวายสร้างวัดป่าไปเลยจะได้มีที่ปฏิบัติทั้งญาติโยมทั้งทั้งพระเพราะวัดป่าส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนของคารวะกับส่วนของพระ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 มีงานก่อสร้างมีเสียง อ, อกกึกทึก ค, ค, ครึกโคมอะไรต่างๆแล้วสร้างเสร็จก็ไม่ร้จะไปทําอะไรเพราะพระปฏิบัติเราไม่มีพิธีกรรมอะไรเราใช้ที่ศาลา ท, ทาพิธีกรรมต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องมีบวชกันเพราะวัดป่าก็จะไม่นิยมบวชกันเพราะงานบวชมันก็กลายเป็นงาน อ, อกกึกทึกคลุกโคมนอะไรนี่ใช่หไหมเพรบวชกันก็จะมีกองยาวมีแห่รอบบวช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 นึกสนับสนุนพระป่ากันไปดูว่าพระวัดป่าท่านอยู่ยังไงอดอยากขาดแคลนอะไรส่งอาหารของข้าวของหวานไปได้ก็ส่งไปสมัยก่อนอยู่วัดป่าบ้านต่า น, นี่จะมีญาติโยมส่งอาหงอาหารแห้งไปให้เรื่อยนะมามากปลากระป๋องอะไรพวกนี้เพรสมัยก่อนบินทบาทก็ได้ต่จากชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ยากจนเ้าก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ข้าวเหนียวแล้วก็มีห่อหมกลเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไป ที่วัดบางทีต้องทำอาหารเพิ่มถึงจะอยู่ได้แต่อยู่แบบนั้นมันดีญาณโยมน้อยมันไม่วุ่นวายล้นอาหารเยอะกว่าจะกว่าจะฉันเสร็จกว่าจะกลับไปกุตีได้เกือบเพ น, นุ่น <c oughs> สมัยก่อนนี่ฉันพุปป๊บปั๊บครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วกลับมาจากบินบาบฉันเสร็จล้างบาทเสร็จปับสองโมงกว่าสามโมงก็ภาวนาต่อได้แล้ ว, ลวเงียบสงบไม่มีคนเข้ามา วุ่นวายกันมากแต่ตอนหลังพอคนรู้จักครูบาอาจารย์มากขึ้นเขามากันมากมากันมากกันสมัยแรกๆตอนที่เราอยู่บินดาบา ท, ที่หน้าวัดไม่ไม่ไม่แค่ไม่ถึงร้อยเมตร5้าสิบเมตรทนเองตั้งโต๊ะไม่กี่ตัวอาจารย์อยู่บ้านตาดพศ อ, อ, อะไรครบตั้งแต่หนึ่งแปดหนึ่งแปดถึงสองสองหกอยู่แปดปี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 อันนั้นท่านทำผ้าป่าช่วยชาแล้วใช่หมยังยังเลยอันนั้นท่านไปที่สวนแสงธรรมแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วอยากจะถามค่ะเอาเลยถามไปเลยอยากจะถามว่า อ, อคนเคนที่เขาชอบใส่บาตรนิมเทพนะคะเขาชอบเอาเงินใส่ในบาตรเนี่ย ได้บุญหรือบาทคะคือหนูเคยบอกอลูกบ้านแล้วหนูอยู่ในหมู่บ้านนะเนี่ยก็จะทําบุญทุกอาทิตย์ไงคะแล้วเขาจะเอาเงินเนี่ยใส่ในบาททุกคนเลยอให<ไ><น>้เราก็ไม่กล้าใส่คือคนไทยเนี่ยได้บุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไปทําให้พระท่านไม่ศินสิน ด, ด, ด่างพร้อยเพราะว่าพระไม่สามารถรับเงินกลับมือได้ถ้าอยากจะให้โดยที่พระไม่ศิน ด, ด่างต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้ให้ได้เงินนีิทรรยได้ เแต่ว่าพระรับกับมือไม่ได้อย่างเนี้นยก็ใส่ในบาทเลยก็ไม่รู้ไงแล้วหลูงก็บอกว่าอใส่ในบาทได้เลยเขาบอกอ่ะพระต้องกินต้องใช้นะที <c oughs> ่ชาวบ้านผอเองใช่คือถ้าถ้าเป็นพระที่จะรักษาศีลไม่ให้ด่างเพราะเงินที่เขาใส่บาทก็สละไปเก็บไว้เองใช้ใช้ไม่ได้ต้องสละไปให้คนอื่นไปแต่คนที่ใส่เขาก็ได้บุญแต่พระไม่ได้ใช้เงินเท่านั้นเองเพราะถวายแบบไม่ถูกวิธี จะทำใช้อยแบบถูกวิธีให้พระใช้เงินก็ต้องฝากเข้าไว้ฝากลูกศิษย์ไว้โยมคิดว่ามันจะเป็นบาปเพราะว่าอาหารา ก, กับเงินมันจะมาสกปรกอ ม, มกันันอันนี้<า>ไม่บาปแลรวเพียงตดมันก็สกปรกเท่นั้นเองเอากาเสกปรกก็ไม่ได้เป็นบาปเพอยงใดก็ทำให้ท <laughs> ้องเสียท่านนอง แต่ไม่บาเพราะไม่ได้ไปข้าไม่ได้ไปรักทรัพย์มันไม่ได้ผิดสี่ข้อ <c oughs> มันไม่ได้ผิดสี่ข้อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าขั้นตอนการถวายเงินให้กับพระนี่มันผิดขั้นตอนเท่านั้นเอง<ม>พระพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามบอกว่าถ้าให้ไม่ให้พระรับกับมือไม่ให้พระครอบคร อ, องเงินไว้เพราะกลัวเดี๋ยวจะเป็นโทษกับพระเงิน<ม>พระถ้าพระพระคนรู้ว่าพระมีเงินติดตัวเดี๋ยวก็จะมีคนมาจี้มาป่้นได้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 ลูกศิษย์ก็ตามนะแล้วกเ็เก็บของดีๆเก็บไว้ต่้งหากพระไม่ได้ของดีๆเลยอะก็ไม่เวลาไถ้าพระท่านยินดีให้ท่านก็แต่ท่านรับไปแล้วท่านก็สละไปท่านก็ไม่ได้คิดอะไรพระนี่ท่านเห็นว่าทุกอย่างดีหมดอะไรก็ได้กินแล้วให้มันอิ่มท้องก็ดีเหมือนกันพระอาจจะไม่ได้คิดเหมือนโยมคือโยมอาจจะว่าไอ้นี่ดีกว่าอย่างนั้นไอ้นี่ดีกว่างี้พระอาจจะบอกว่ามันดีเหมือนกันทั้งนั้นะกินแล้วมันอิ่มก็ใช้ได้อืม คือพระอยู่เพื่อกินอาหกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินยอมนี่อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็ต้องเลือกกินในชะ่ไหมแต่คนที่กินเพื่ออยู่นี่อะไรก็ได้กินแล้วให้มันอยู่ได้ก็ก็ใช้ได้นั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของพระรูปนั้นก็แล้วกันี่ไปไปมีไปีลูกศิษย์แ ต, แต่ในกรณีนี้จะหมายถึงว่าพระยังไม่สละให้หรือยังครับพระอาจารย์แล้วเอาไปก่อน อันนี้แล้วแต่เขาตกลงกันไม่ยังไงเราไม่รู้ไงบางทีพระตกลงสั่งไว้ก่อนก็ได้มึงอยากจะกินอะไรก็แบ่งไว้ก็รับสั่งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าพระไม่สั่งแล้วไปยักยอกอย่างเงี้ยบาปต้องต้องได้รับอนุญาตจากพระก่อนอย่างนี้เป็นเปรตไหมคะก็เป็นสิทาบาปด้วยความโลภเนี่ยก็เลยก็เลยเป็นเปรตใช่ไหมอ่า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 ลอตเตอรี่หรือชิงนางวันอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เราเราอยากจะได้ของแจกอะไรแล้วก็ไปเลือกปั๊ม อ, อ่ะอันนี้คือการเลือกที่ทําบุญเงี้ยทีนี้คนที่อยากจะได้ธรรมะก็เลยต้องเลือกหาพระที่มีธรรมะเยอะๆเอ่าก็หาพระพุทธเจ้าก่อนถ้าไม่มีก็ลองลงมาพระอรหันต์ถ้าไม่มีก็พระอานาคาเมีอะไรก็ว่าไปตามลําดับเนี่ยอันนี้คุณทึงบอกว่าเวลาเลือกงงก็เลือกแบบนี้เพราะเราต้องการของแถมจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วย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 พอใจั้ยวันนี้เหนื่อยแล้วนะคิดว่าวันนี้ทางบ้านเขาต้องขอเ ง, งินนะพอดีมีทางทางบ้านเข้ามาสดๆกันที่นี่องเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาใบปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทาน